มันหายไปโรคส่วนนั้นโรคห้องใจคือโรคที่เดียวตันหาท่านกลัวมากหากรักษาไม่หายพบขาดมีต่อไปมันจะต้องแผลเขาใจของเราอยู่อีกท่านจึงรีบํำละรีบปฏิบัติเราเราเป็นอย่างไรรู้ไม่กลัว เป็นมแมลงเมา่าเห็นไฟแดงๆท้อใจว่าเป็นของหยุดท้งดียิงท้อใส่บินท้อใส่ตีผาดเผาตัวตายแบบนั้นหรือผู้มีสติมีปัญญาผู้ที่รู้ธรรมะรู้แบบมแมลงเมา่าอ่านเอาตำรับตำราแล้วก็ว่าตัวมีสติปัญญาเกิดขี้เหลืตัณหามันเผาอยู่ตลอดหลแบบนั้นพระพุทธเจ้าเนีทรงสันสนิษฐ จ ง, งตัตหาตัณ迦ที่แกนาตากหาตางตาศึกษาตางหาตัณากำหนดจิตใจของตัวธรร ม, มาเป็นของที่คู่ควรแกบุคคลทุกคนไป ต, ต่างใจประพฤติปฏิบัติเราทุกคนมีสว่วนที่จะได้จะถึงจะแก่สงบ จะเยือกเย็ยนฉะนั้นขอโยงนำธรรมะที่อธิบายมานำไปศรรึกษาตัางแนาต่างตาปฏิบัติฉะนั้นไปก็จะเป็นสุขความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นไ่พอสองควรเฉยๆหลอเพอยุติอินตนงนี้การฟังธรรมะบางสันบางคนขคงไม่เจอเลยระดับเัาฟังกัน แต่บางครับางคนก็เลยฟังกันมา <c oughs> วันนี้เป็นวันสําคัญทางศา ส, น, สนาวันหนึ่งทุกทางและทางงานเมืองเขาก็หยุดให้เพราะถือว่าเป็นวันสําคัญที่เป็นมาคันมาพพุทธนิมิตรทันีิามาคก็คือเดียนมาคัา ทางภาษาบาลีคือว่าเดือนนี้เป็นเดือนมาคัสภาษาของเราสจะไปถือเดือน3วันนี้คือช่วงวันสำคัญนั้นเป็นหมอจึงพระพุทธเจ้าท่านแบบจะแดงโอวัตปฏิโมทำด้วยสุขีโบสด เกียรตสุสงหนึ่งพสองยห้าสิบองค์ส่วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นมีพระพุทธชนเกียรติปนในการทาอุโบสถเป็นเหมือนต้นที่ทาอุโบสถในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราในเป่นวันเป็นสําคัญพรหนึ่งกอจีสองก่อคือวันกรงอยุย่ทัสารของพระพุทธเจ้า กองอายุทั้งขาดกว่าวันนี้เหมือนกันแต่จากนี้ไปภายในสามเดือนเราสถาโคตรปฏิญาทานคือกองอายุทั้งขาดพวกเราท่านประชชคนเาธรรมดาไม่สามารถจะทราบวันเกิดวันตายของตัวพอถึงเท่าก่อนจึงป่อยง่อยเหงาเจ้าจุกเพราะความห่วงไม่อยากตายกา แต่ก็อยู่นได้เกิดมาก็มีการตายเป็นธรรมดากัรมาภ้าบูชาวันนี้พวกเราท่านแต่ยุติรรมมาจากทิศต่างๆมารวมกันในว่าจะในประเทศต่างประเทศ่อมารวมกันรำมาภ้าบูชาการบูชาพระพุทธเจ้านั้น บูชาได้หลายอย่างบูชาทางวัตถุก็เป็นบุญเป็นกุศลบูชาทางพระพุทปฏิบัติก็เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นพวกเราท่านวันนี้งได้มาไประชุมกันบูชาทั้งสองอย่างทางวัตถุเราก็มีดอกไมา้ถูกเทียนบูชาสักการะพระพุทธธรรมพระสง ส่วนทางปฏิบัติเราก็กำหนดจิตกำหนดใจของเราให้เข้าถึงพุทธะผู้ผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานเวลาสดับรับฟังธรรมจากครูอาจารย์ถึงขั้งเจตระ ว, วังจิตใจท้องตนอย่าให้ไปกังวลเกี่ยวข้องกับอารมณ์ชั้ญาณอื่นถึงเป็นอดีตที่ผ่านมากว่าตามอนาคตยังไม่ถึงกว่าตาม เพราะขณะที่เราฟังเสถียอยู่น voilà. ี้ไม่มีหน้าที่จะไปคิดไปปรุงอะไรสร้างนานด่านใจก็ไม่มีวาจาที่จะพุดคุยกันก็ไม่มีใจที่นึกคิดติดตามอารมณ์นั้นห้ามกไม่หักห้ามเอาไว้ใจก็ไม่เอาาถึงความสงบเมื่อไม่สงบความสุขความเบิกบานความสว่างสว่าง ก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นโอกาสเวลาที่นั่งฟังเิดก็คือการนั่งภาวนาทำรกายจลตของใจไปในตัวหีคือการบูชาพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติบูชาทั้งสองอย่างนี้เป็นการบูชาเสื่อนำมาสิ่ความสุขให้พวกเราและเลือกนึกเอาคนส่วนใหญ่ ในตำบลหนึ่งหนึ่งมู่บ้านหนึ่งหนึ่งหรือในเมืองหนึ่งหนึ่งที่จะมีโชคดีมีออำนาจราชนาฏได้ขอมาบูชาพระรัตนตรัยกระดาษรับฟังทำคมสั่งสอนในวันสาคัญเกินนน้น้อบ้าน้อยจนทีอส่วนใจลงหนังลงและฟานไปบาไปบาการนั้นนับไม่ควดถีเราโชคดีถือมีโอกาสเหลืองใส ใจบุญมาวัดมาว่ามาาวนารวมจิตใจเพราะวันมาพราบูชานั้นไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ทุกวันทุกการไปในปีหนึ่งหนึ่งก็มีครั้งเดียวเท่านั้นคนที่โชคไปดีคนอัปปีกันไรก็ไม่มีโอกาสเจราที่จะมาวัดมาว่าได้หรือคนที่มีความเลี่ยมใส ศรอยากจะมาถ้าโอกาสเวลาอำนวยให้ถึงวันมาข้ามาเกิดเจ็บไข้ร่างกายเนี่ยอำนวยอวยไทยให้ก็มาไมได้หรือติดฐุราจําเป็นบางสิ่งบางอย่างถึงเรามาได้ข่อนคือไหวเรามีโชคดีควรมีจิตใจเลื่องสาวควรมีความเต็มอกเต็มใจในการบูชาท่องตนในการระดับและตั้งคำท่องตน จะให้เกิดบุญเกิดกุศลคือความสุขภายในคนเราทำาไม่มีความสุขแล้วโลกอันนี้ไม่น่าอยู่จะไปอยู่สถานที่ใดหายใจใไม่สุขไม่สงบมันไม่มีชี่สุขสบายให้บานช่องเข่าคล้องจะมากมม่าห่ฟองจะใหญ่ตัวละหัฐานขนาดไหนหายใจเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนมันก็ไม่น่าอยู่น่าอาศัย ในมีอะไรที่จะสุขจะสบายนี่น้อยถึงใจมันใม่สบายหุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาหุ่นวายด้วยราคะโลภต่างๆนี่เราสละทุกอย่างเขามาวัดมาว่าบูชามาบูชาพัะพุทธเจ้าก่อนถือว่าเราโชคดีไม่ได้ป่วยไข้เหมือนเขาคนที่ เคยมาแต่ลมหายตายไปเพราะสังขารในกีลังอย่างยืนนั้นก็นับไม่ถ้วนในปีหนึ่งหนึ่งแต่รันมาพระเนื่อปีทายนี้เกินกระทงปีนี้คนตายไปนะไม่ถ้วนนี่เรายังโชคดียังไม่ตายกับเขาเพราะว่าเรามีโชคดีเราส่วนด้าจิตใจนั้นทางหากพวกเราท่านต่ไปนี้ยอมชมชอบกว่าเรามีโชคดียังมีชีวิตอยู่เพียงแค่นั้นมันก็ยังมี เหมาะสมให้โอกาสที่เราจะแก้ไขจิตใจของเราที่ยังยุ่งเหยิวุ่นวายมีขีดเดือดตันแหวนบางแน่อยู่ก็รีบจะทำบําเพ็ญเสียไน่ว่าวันมาฆะวันธรรมดาถ้าเราทําดีทําดีนั้นก็จะเป็นฝนให้แกเราแต่เราทําชั่วลงไปจะว่าวันใดกว่าตามันก่อชั่วก่อเสียอยู่นั้นเอง แจ้งแผ่น okay. ช <JI> ื่อว่าเป็นวันสําคัญนั้นเพราะพวกเราท่านจึงเป็นคารวะหาโอกาสเวลาที่จะมาวัดมาวังแสดับฟังทำคำสอนของพุะเจ้ากอดีมาบูชาพระพุตธเจ้าใด้วยดอกไม้ทุกเพียนก็ดีมาประบัติปฏิบัติการจัดกิจลัตรภายในก็ดีเราจะต้องถือวันถือเวลาเป็นสาคัญเพราะพวกเรายุ่งเยือกวุ่นวายอยู่ด้วการงานต่าง เน่อว <c ười> ันสำคัมี้นคนอื่นเขาไปเราก็มีโอกาสที่จะไปได้ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญชนนี้ก็ยังถือว่าเป็นธรรมะดาไม่สคัญอะไรอายุยังอ่อนยังหนุ่มยังสาวอยู่เรายังจะมตา่ถ้าคิดไปทนองนั้นก็เลยถือว่าวันสำคัญ ทางศาสนอเป็นสาระแก่ตัวมัวแต่ทำชั่วทำเสียอยู่เลยเนี่ยเด็กตัวกปฏิบัติวันธรรมดาก็ถือว่าเป็นวันธรรมดาเสียวันสำคัญก็ถือว่าพวกเราท่านยังดุ่มยังสาวอยู่เสียก็เลยมีโอกาสเวลามาําลระจิตใจให้แต่นั้นวันสำคัญอย่างวันนี้เป็นการเป็นสมัย สี่ส่วนคารวะถือโอกาสมาทําบุญชุนทานถือโอกาสมาวัดมาลามากราบมาไหว้มาบูชาพระรันตนไตส่วนพระที่คืสามมาเนินหรือนักบวชที่ต่างหน้าต่างใจปฏิบัติปฏิบัติบําเพ็ญเพาะวานานั้นขันถือว่าต้างัำทุกวันไปจะต้องยืดแรงแต่ ท, ำำทําบําเพ็ญจิตใจทังตน เกล้ามเทลียบผลคาแหกในเตือนจุดใจทองตนอย่างนั้นไปมัวเมาประหม่าเมินเฉยไม่เด็ดต้างหน้าต่างๆถขาเพียรเพาว่าเนี่ยยืดตันหามันไม่หาโอกาสไม่หาเวลาไม่หาวันนั้นไม่หาวันนี้ไม่หาเดือนหาปีมันเกิดขึ้นได้เมื่อชีวิมาเท่าเท่าไรจิตใจก็ย่อมเหี่ยวแห้ง จิตใจก็ยอมมืดดำเลื่อยถอาไปคนที่สุดก็ไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกดีขั่วนี่คือชี้เหลือปัญหาหัวห้มเหมือนกันกับคนที่ตามืดตามัวมองอะไรก็ไม่ใส่ชัดเกินฟอนมันจะมืดจะมัวจะบอดมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างเชื่อก่อนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มัวให้พอมันโมะไม่รักษาต่อไปแม้แต่มืด หักเข่าผลที่สุดก็บอดหรือจิตใจบอดก็ทํานองเดียวกันในสาบว่าไอเกินบุญเกินกูโสนเป็นคืนเป็นโทษแฮะในสาบว่าวันใดเป็นวันสำคัญวันใดเป็นวันธรรมดาวันพระวันศีลก็ไม่ทราบเพราะจิตใจมันเมิดมันบอดดื้อวุ่นแต่แฮะเงินทองสขสารต่างๆในแนมาบำรุงรักษาตายเงินทรายอันนี้ ถ้าหากเราที่เจะมาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถึงเป็นความจริงพราในดักทุกคนจะยอม่ <c oughs> จะยอมจำนนตามความสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะมีเศ้าของเงินทองวิ่งวุ่นอยู่ขนาดไหนเดือนของตายก็มีคการแก่การตายได้ท้ า, ท, าทั้งคือเราหัวหัวเร า, ายังไม่อยาด แต่ถึงโอกาสเวลามาัมนก็ตายไปได้ไม่ว่าผัวเยิ่งไม่ว่าผัวตายไม่ว่าแม็กบวชไม่ว่าคาราว่ามันเป็นอย่างนั้นเข้าขวงเงินทองที่เราแสวงหามาได้มัน ท, ที่จะป้องกันตายให้เรามันฟ้องกันตายไม่ได้ถึงวันตายมันตายไปเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านที่มีโอกาสเวลามาศึกษามาชัชล่าจิตใจนั้น ถึงตายมันจะตายไปส่วนคุณงามความดีที่เรากอบกวยเอาโดยกายวจาใจใจโดยไม่ประมาอุตส า, า, า, า, าห์พโายามทำตามโอวาทผู้ท้าผู้ใจเจ้าทรงสอนคนนั้นถึงแม้จะไม่พ้นไจจากยุเหลือปัญหาในชาติปัจจุบันทรนต า, า, าขัตาแต่คุณงามความดีนั้นนั่นเลยเสี่ยมไม่สลายไปที่ไหน จะเป็นเงาจิตตนตามตัวไปพบชาดใหม่โดยแม่นักศึกษาสมัยปัจจุบันทันตาเขาถือว่าตายแล้วมีเกิอดอีกไหมอาจจะสงสัยในจิตในใจคือถือว่าตายไปแล้วไม่มีการเกิดใหม่มีความเห็นของบางท่านบางคนอาจเป็นไปอย่างนั้น ทั้งศเรียนวิพาทางโลกมาเพียงพอแต่ในสัากัเรื่องว่าตายเกิดนั้นมีจริงหรือไม่เกิดสงสัยอยู่ในจิตในใจเมื่อสงสัยการทําคุณงามความดีก็ไม่ล้าที่จะทําพราะทำไปแล้วตายแล้วกว็ไม่ได้เกิดอีกความคิดความปุงมันเป็นใบในคานองนี้ที่งไม่กล้าที่จะทําคุณงามความดีอะไรถ้าหากตายไปแล้วไม่ได้เกิดครับ โลกมนุษย์เต็มโลกอย่นี้มันมาจากที่ไหนมันมาเกิดมันมาจากที่ไหนหรือจะถือเอาที่เหลุอของใจถือเอาความรู้ของเราที่งงๆเขาเขาไม่ทราบมูลเหตุของความจริงว่าตายแล้วเกิดและปฏิเสธตายแล้วไม่ได้เกิดจะปฏิเสธเท่าไรมันก็ไม่เปลี่ยนไปตามความปฏิเสธของคน เหตุผลมันมีแต่ยังมีเชื้อคือกี่เหลตุตัญหาเรายังไม่ชำระกระแสให้หมดขดออกไปจากใจแต่พิเศษเท่าไรมันก็เกิดอยู่วันย่างค่ําเหมือนกันกับเราปฏิเศษชีว่ามันไม่เผ็ดเรือว่ามันไม่เค็มเก็บพิเศษเท่าไรเนื้อเราทานจบไปแเรวก็ทราบนี่เรามาเกิดแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเราทราบ ก็เราจะไปเกิดเราจะต้องเลือกแหสถานที่เหมาะดีนี่เลือกไม่ได้ความเกิดความตายของเรามันเลือกไม่ได้แล้วแต่บุญกรรมที่เราทํามาจะอํานวยอวยใจให้เราจะไปเกิดสถานที่ใดนั้นบุญกรรมจะแน่บไปทางฝ่าสนาทันบงบอกว่าอย่างนั้นดังนั้นการเกิดการตายท่า น, นี้ไม่มีบุญ มีบาทเป็นเสื่อมศัสิทธิแล้วมนุษย์เราทั่วโลกมันเหมือนกันมันมีคนถึงคนต่ำคนดําคนขาวคนโง่คนฉลาดมันเสมอชันหมดเพราะทุกคนเกิดมาก็ปราดแขนความฉุกความสบายมีหน้ามีตามีร่างจากตัวเฉื่อยสดงดงามทั้งนั้นเจอเหตุใดเหตุเล่ามันจึงไม่สมปราดแขนะให้กอบครอบุญกุศลสื่ บุคคลเหมนนั้นทําไว้ไม่เหมือนกันทำมมันจึิงจะเน่าสัดว์เน่าแตกต่างกันทางศาสนาผ่านสอนไใ้อย่างนั้นแต่พวกเรามันมืดมันบอดมันบอดแล้วภูเขาใหญ่ตัวกระหัวถานขนาดไหนมันก็มองไม่เห็นผีแสงอะไรเป็นอย่างไรมองไม่เห็นทางนั้นนี่คือมันบอดมันมืดข้าพุทเจ้าทําในบอดในมืมดท่านมีเพื่ อย่างม่จิดในใจของท่านสามารทราบดีแบบคนทำอย่างนั้นทำกรรมอย่างนั้นจะได้ไปเกิดอย่างนั้นทำกรรมอย่างนั้นจะได้ไปเกิดอย่างนี้ท่านทราบดีจึงมาแนีสอนพวกเราเหล่าผู้อง้าขาชนี้แต่คนคนที่ยังลืมหลงอยู่ให้รู้ว่ให้เข้าใจให้ปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบเมื่อปฏิบัติแล้วตายไป ถึงไม่กระติบัดยังไม่ถึงมาถึงผลตายไปเราจะไหนพลาจะไปเกิดในสถานที่เหมาะที่สมงกายก็จะสวยสดงดงามไรโรคไขไขเจ็บอยู่เย็นเป็นสุขสติัญญาวิชาความรู้ก็จะีจะเดนเพราะบุญกุศลส่งผลให้ไปในทางที่ดีที่มีความสุข่นบาปกุศลล ่งคนให้ไปนทางที่ทุกครสมัยปัจจุบันเรียนกันเรื่องของโลกเรื่องของธรมเรื่องของจิตของใจเรื่องภายในเื่อยมองดูมันจึงมืจึงบอดดูเรือไม่ทาบว่าอะไรเป็นของปฏิเสธให้เพราะเราไม่ไสนใจถึงเราจะปฏิเสธว่าไม่มีความเกิด ลายจิตวิทย์ิเศษแหลหลุมบอ่อไม่มีลายจิตวิทย์ิเศษแหละหัวตอหรือหนามไม่มีก็อลองดูเดินไปในป่าถึงตาเราไม่เห็นก็ไปโดนได้เหยียบได้หนามันขึ้น ม, มันแทงได้หัวตอมันโดนได้หลุมบอ่อมันตกได้ทั้าทถ้าที่คนนั้นพิเสษว่าไม่มีหลุมมมีบอ่อ ความจริงมันมีอย่างไรมันก็เป็นไปยอย่างนั้นแต่นั้นพราผู้ใช้จาจสั่จริงสอนในประมาทที่เจะิญในที่อโอกาสทำคุณงามความดีเอาไว้ํำจัดขับไล่เลี่ยงวิเลดตัญหาซึ่งจนจิตเป็นไครเสีย จ, จิตเสียใจท้องตนคนที่มีความโลภความโกรธความหลงมากเท่าไรคนนั้นจะทุกข์ใจเ่านั้นถึงสมบัติสถานจะล่น บ้าอยู่ก่าตามมันไม่มีความถูกให้เพราะใจมันโลภไม่มีเมืองพอใจมันโกรธเขา่าตัวของตัวใจเดือดร้อนวนวางแล้วก็ไม่ไปสู่คนอื่นอีกสับอื่นอีกนี่คือความโกรธความโลภมันเป็นทิศเป็นไทยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความหลงของจิตแต่แล้วก็ ว่าเรารู้รู้หลงหลงนั้นพระพุทธเจ้ามีนิยมชอบจะรู้ขนาดไหนปริญญาอะไรต่อเธอถ้าที่เหลือ ย, ยังหยูหลังน่งคอยยังชมที่จิตใจของตัวได้อยู่พระพุทธเจ้าอ่ะไม่ใช่คนรู้คนง้อหากเราประพฤติปฏิบัติมี ส, สติปัญญารักษาจิตอะไรเกิดขึ้นภายในทราบได้อยู่ทุกททุกวันทุกระยะเวลาดีรทั่วก็ทรา เนมืนกันกับเราจิตในจิดอยู่ในก้านในจิตความพับแถวนั้นตาเรามีแล้วก็มองเห็นแต่รเราไม่ไปจิดที่อื่นเราอยากจะดับเชียงเสาหรือเบื่อหนึ่งลายใส่เถวนั้นมันก็ดับได้แต่มันไหมมันเผาไปส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะน้ำายจะเอาน้ำในบ่อในโอ่งก็ดับมันก็ดับไม่ได้เพราะมันเซลใหญ่มันไหมไปมากแล้ว ที่เฉลี่ยท้องใจก็เหมือนกันที่มันเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้มีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชอบต่างๆก็เพราะเราไม่เดืยระวังรักสายแต่้นเหตุของมันคิดไปอย่างนั้นปรุงไปอย่างนี้หรือว่าดีวะเลิศวาไปเิเสยวิ่เศษอย่างนั้นอย่างนี้หลงเรื่อยไปหากระดับจะต้นไฟพอมันปรุงทับขึ้นในจิตในใจสติ รู้ปัญญาแนะืสอนอันนี้เป็นทิพเป็นไทยนะถ้าฝ่าฝืนปล่อยเอาไว้จะไม่จะเผาคุณงามความดีให่วอดตายไใสไขคิดได้มีสติมีปัญญาสอนใจมันก็เป็นทิพเป็นไทยไม่ได้ออกมาทางวาจาไม่ได้ทำด้วยาจนี่คือการศึกษากาปรปฏิบัติทรไหมเธอรู้จุดรู้ใจของตัวมองเข้ามาภายใน คนที่รู้ตัวรักษาตัวได้ถึงไม่มีความรู้ความฉลาดแต่เศษเลือลอยทั้งโลกกวาดตามท่านก็อยู่เย็นเป้นสุขเพราะรักษาใจของตัวได้ใจเท่านั้นเนไคยอันตรายสำคัญแต่พวกเราท่านการบำบุงใจรู้สึกว่าจะด้อยลงไปื่วนบำรุงตานะั้นอรไรที่ เราถอบเราแห่ไม้ให้อยู่ไกลขนาดไหนยากขนาดไหนก็วิ่งเช่นแข่งแหาแหมาบำรุงผีบำรุงท้องสายบำรุงทอะไรมันต่อไปตามหน้าที่ท้องมันอย่างทวามแก่มันจะแก่ไปถึงวันตายมันก็ตายไปได้อะไรจากตายไหนที่เจรณาใครแยบถ่ายลงไปใจมันจึงจะเช็ญอาจเชิญทำให้สะอาดตึงออกไปทางนอกทอะไรมันกลม ยิ่งห่างไกลจากอาจจากยธรรมเพราะทาเป็นโอปะยิโก้นเนาะมาภายในเห็นอะไรก็น้อมมาสอนใจของตัวเพราะโลกอันนี้มีใจเรื่องของธรรมถ้าคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาถึงจ ะ, สะแสดงให้ฟังขนาดไหนมันก็ไม่ไปฝังจิตถึงใจเพะมันได้เพราะใจมันห่างไกลจากอาจากัจฉกิยะธรรมนี่พวกเราับ่านนี้ หูมีตามีสติปัญญาพอชองขวนจึงสนใจเข้ามาวัดมาวามาฟังธรรมะอารมณ์จิตอารมณ์ใจค้องจนขณะนี้เวลานี้หยุดใจของเราดีรึทั่วมันทั่วด้วยเหตุอะไรมันดีด้วยเหตุอะไ ร, หะไรให้กําหนดภายในให้ดูภายในให้ดูใจของตัวทำลายใจของตัวถี่ชั่วถี่เสียออกไปใจที่อยู่ที่มีความสุขก่อ มันรักษาปฏิบัติเอาไว้เมื่อมันเที่ยงพอในเรื่องท้องมันเหมือ น, น, นกันกับผลไม้เราบํารุงรักษาด้วยน้ำโดยปุ๋ยแล้วมั น, นจะเริ่มเ ต, ติบโตขึ้นไปจะริ่มเติบโตขึ้นไปเรื่อยเรือยผลที่สุดมันถุกแล้วไม่ต้องสอยไม่ต้องไปใครเหยียบขี่มันมันกดหล่นท้องมันเองนหตความดีสิพระผู้ใจเจ้ า, จาให้พวกเราอุสาหจะทําบําเพ็ญก็ทํานองเดียวกัน เพื่อรักษาจิดรักษาใจเอาไว้ใจที่มีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีมีจิ ต, ตอิจฉใจมีความมั่นคงภายในคิดอ่านอะไรมันก่อสะดุดจะทํางานทั้งโลกมันก่อเส็พสิ่นไปทํางานภายในคือทํางานทางธรรมมันก็มีผดมีผลที่จะแก้จิตแก่ใจท่องตนทิ่ค่องจิตคิดโกงต่าง ให้หดแห้แหาเจอได้เพราะมันมีปัญญาเห็นอะไรอยู่ภายนอกก็น้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจทองตัวนี่คือคนมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นคนก่อน้อมเข้ามาที่จะานภายในท้องตนคนที่ควรลืมควรหลงนั้น้าเราไม่มีปัญญา ถ้ามาแล้วอย่าไปเกี่ย ว, วข้องเพราะไปเกี่ยวข้องไปคิดฟงเท่าไรยิงลุ่มยิ่งหลงเรื่อยไปใจจะเดือดร้อนวุ่นวายเราจะต้องหาบุคคลที่ในเป็นทิษเป็นไทยแก่จใจท่องตัวมาสอนเยียก่อนเหมือนพระพุทธเจ้าก่อนที่อแเสด็จที่อแม่สดคมพระองค์ไม่ได้ทรง ทอดคะแนนคนธรรมดาฝามันห็อว่ารูปร่างกลางตัวสวยสดงดงามจะทำให้เราถ้าการหามันจะไมือ่อหนี้พระองอค์ทอดคะแนนเห็นคนแฉะนามาสอนพระไทยของข้าเห็นคนเจ็บเห็นคนตายนำมาสอนพระไททของขาพวกเราหรอตามีไหมใจมีไหมเห็นไหม ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เห็นคนแจ่มีความถูกไหมคนแจกตากาะากเกาฟันกามือเกาะมวันกาโยกเกาความก็หลุดก็ลนเดี่ยวแดงอะไรก็ไม่มีคนแจกมันมาจากที่ไหนมันมาจากเด็กแดงหนุ่มๆสาวๆสวยๆงามๆนัเนและมันเยมาจากที่ คนที่ไเราหลงจ้องตาดูว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้ข้อเนี่ยของมันเป็นอย่างไรผู้อยากของมันเป็นอย่างไรคนนั้นมันก็จะไปทํานองเดียวกันมันในเรื่องของดเศษตเศษมาจากที่ไหนมันจะไปทํานองข้อทํานองแม่ทางสานี้ไม่มีใครที่จะกั้นเอาไว้มันจะต้องเดินไปสายเดียวกันแต่เราที่เจรณาอย่างนั้นความจาเริศเกิดสารในที่เหนือปัญหาไม่นก็ค่อยจะ เบาบางไปคนเจ็บทางนอกเคยเห็นไหมตัวของเราเองเคยเห็นนะเมื่อเจ็บมามันทุกขนาดไหนมันเป็นอย่างไรก็ควรจะทราบหยุดใจหวั่นไหวกลัวตายอย่างนั้นกลัวตายอย่างนี้อยากให้มันหยุบมันดีมันหายมันคิดไปต่างๆนานาโรคท้องใจก็เบียดเบียนอยู่แล้วโรคท้องใจเกิดขึ้นอีก เลยเป็นสองโลกเพิ่มกันเข้าก็เลยมนัสองเท่าของโลกเลยทุกเลยลบาบากนี่นะถึงผู้ที่มีมมอับดุลคำในใจถ้าผู้มีอับดุลคำในใจทํานตันอย่างนั้นท่านสบายถึงโรกกายจะเหยียดเยียนกายของท่านต่จิตใจของท่านที่เจนนะ่าได้เหนี่ยการเกิดเกิดมาแล้วมันจะต้องประสบพบเห็น าการแจกความเจ็บด่างนี้มันดีมันไปเสดที่ไหน ท, ไทําไมจิตมาหลงเสดอย่นี้ในเดือเนายหรือการเกิดการตายนี่มันจะสอนตัวของมันอย่างนั้นมันจะเข้าใจยิงจังสังเละในความลุ่มหลงท้องตัวนี่คือผู้ที่มีอัตมีธรรมในใจเรามาเช่นอย่างนั้นเห็นไ่มใครมองก็ อ, อยากมองสิ่งที่ มันสวยมันงามเรากิดํำหนับยินดีเกิดตาชอบใจอยากได้เมื่อไม่ได้ตามทำมุ่งหมายบาดสนาก็เกิดทุกข์ในจิตในใจได้มาแล้ว้าเอาไว้ดีงนั้นวิบัตไปก็เกิดทุกข์อีกแตท้ารเรามีอำนาจบาดสนาจะรักษาไว้โคตรสวยดด้ ตัวของตัวก็เป็นอย่างนั้นคนอื่นทั่วไปนั่ก็เป็นอย่างนั้นความริมหลงมันไม่ได้หลงมาจากที่อื่นหลงมาจากใจจึงแกขใจจึงรักษาใจยังหาอาหารมารักษาจะหาธรรมะมาบำรุงดอกือต่อีนิพนางสอนตัวอย่างนั้นมันไม่มีวันสงบไม่มีวันบาวันสุข เกิดทุกข์เกิดโทษเกียรตัวอยู่เรื่อยไฟถ้าคนมีธรรมะในใจมีความสุขถึงอยู่ก็มีความสุขถึงตายก็มีความสุขในชัวในการเล่นอยู่ของตัวนี่คือผู้มีอาจมีธรรมในจิตในใจคนที่ไในรู้จักเรื่องของใจว่ามีคุณค่ามีสาละอย่างนั้นพาไปตกทุกข์ได้ยากลําบาก ในสถานที่ต่างๆเรี้ยงเห็นคนที่รักที่ชอบใจของตัวทุกอยากลำบากปล้องให้ลำพันไปทำไมมาทุกมาอยากว่าลำบากลำพานอย่างนี้ทิกไปวบาเขาอยู่อย่างนั้นเขาลำบากลำพานก็เหมือมนกันกับเราเอาของที่เคยอยู่ในน้ำเส่นปลาว่ามันอยู่ในน้ำมานานมันคงจะลำบากลำพานอยาไปเกี่ยว ดูถ้ำดูเหวดูป่าดู h งดูดงดูบกเราสงสารเอามันเกิดจากนะมาเรื่องใบบกมันก a ตายเสียจากบกขอท่านอนเดียวกันมันเหมือนท้องเสักทีเถอะหนูตัวนี้โยนลงทะเลหอมันเจียวททะเลมันตายเพราะจากบกมัเป็นอย่างนั้นนี่จิตใจ สองคนก็เหมือนกันคนทีไม่ได้ชิดได้ขวัญถึงอาจถึงทำว่าเห็นชาจชาวพระสงฆ์อยู่ในป่าในดงอดยากยากจนท่านคงจะเป็นทุกข์ท่านคงจะลำบากไม่มีความสนุกสนานอะไรที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่สวยงามในหน้าอยู่ชิดไปในํานองนั้นจิตใจก็เหนียวแน หดหูโง่สารไม่ได้ถามความจริงของท่านท่านอยู่แบบนั้นท่านมีความสุขไหมท่านฝุกเพราะอะไรถ้าหากักถามความจริงของท่านอย่างนั้นท่านที่เห็นที่พอใจในาอาดในธรรมท่านจะบอกจะสอนให้ว่าการอยู่แบบนี้มันดีมันสบายมันไมารักฝึกขอบอะไรพระพุทธเจ้า ท่านเคยมีประสาทหลา ส, าลสว่างเชตเป็นกษัตริย์ออกปฏิบัติอยู่ตามป่าหลายองค์ถึงเป็นสาววกคล้องแ ข, งขนจนกษัตริย์จนเสด็จผีแต่เมื่อท่านหนีออกจากพาราวาส ไ, ไปต่างน้าต่างชาปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำเพื่ออาจเพื่อทำแล้วท่านไม่เคยกลับมาสู่พาราวาสอีกถึงท่านบรณาชาบหรือแผ่นปริหิือพานอย่างพระพุทธเจ้า ปกควรที่จะไปปฏิบัติธรรในสถานที่สวยงามเขาเคยสร้งให้อย่างในวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายจํานวนหลายโกศที่พักที่อาศัยที่แต่ทับของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไป่เอาไปอยู่สถานที่ใดก็ไปเอถอะใจของเราบริสุทธิ์ใจของเราสะอาดใจของเราไม่มีทุกข์ใจของเราไม่มีโทษ มันสุขมันสบายตายในวัดตายในร่มไม้ก่อปรินัติทานทางนั้นเพราะกิเลสมันดับมันหายไปจากตายจากใจท้องท่านมีพวกเราไม่เช่นอย่างนั้นไปทำศพสวยสวยงามงาห ม, มดเงินหมดทองมากมายจ่ายกองขอช่งมันเต้นหน้าเต้นตาไหวดิว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ ยี่เหลือดยังทับผมโจมตีในใจจะทำใหญ่ทำโตทำสวยทำงานขนาดไหนก็ทำไปเถอะนันไม่มีทางดีให้ข่ควาำลาจใจสะอาดแล้วไปอยู่สถานที่ใดตายสถานที่ใดท่านไม่มีพบมีชาติอีกสอไปท่านไม่มีอะไรที่จะก่อทุกอีกนี่เราเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเราศาสตรบอย่างนี้ สาวกก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีครูอาจารย์ที่ท่านได้ทำม า, มาสอนโลกก็ดีท่านก็เป็นคนเหมือนเราตาก็มีหูก็มีจีเลี้ยตันแหากีบตาเหมือนกันกับเราแต่ท่านทำไมจึงมีความสุขกายสุขใจอยู่สะดวกสบายไม่วุ่นวายตังวนเหมือนเราข้อนั้นเพราะท่านตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำลายจิตใจของท่านที่เจอใน ตามธรรมะี่พระพุทธเจา้าสอนยอมจนอนำนนคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นท้องจริงทุกสิก่ง ท, ทุกอย่างไปยิ่งปัญญาของเราละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งจะอาจจะจำในคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนนั้นและพระพุทธเจา้าเองพระองค์สอนมนุษย์โดยไม่ไคิดมูนค่าตอบแทนอะไรสอนโดย พระเนตรตาสะรูดนายสงสารอยากจะให้สัตว์เหล่านั้นมีความสุขทั่วเน่กันไม่ได้คิดเอาบลข้าเหมืนอนอาจารย์เหมือนรูธรรมดังสอนสมงละเท่านั้นเดือนละเท่านี้มี่ท่านทางานด้วยความสงสารกับทาสัตว์ตัวของท่านเองท่านบริสุทธิ์แล้วจะไปสถานที่ใดจะม่ทาอะไรมันก็บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้น แต่พระองค์สงสารคืออาจารย์คือธรรมนี่อาจมีธรรมก็เหมือนกันท้ามีบื้งหวังอะไรจากเราเราเลื่อมใสก็เป็นเรื่องของเราจะเป็นบุญเป็นกุศลเราไม่เลื่อมใสก็เป็นเรื่องของเราจะขาดทุนสูญกาไรตัว้องท่านจะมีอะไรจากเราถ้าอาจยังมีความอยากจากคนอื่นคนนั้นก็ควรจะทาลายสะสามจิตใจท่องตัวในบริสุทธิ์เพราะความอยากมันเป็นปัญหา ควาอยากเป็นตัวสมมติไทยทวามใจให้เกิดทุกข์แทนท่าคนมีธรรมะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญวันมาราคุณามีได้ศรทธาพยายามจากสถานที่จละกางงานบ้านช่องท้องตัวมาแต่ทำบำเพ็ญบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงพากัน และลึกเมฆถึงพระพุทธเ จ, จ้าท่านปฏิบัติมีคนเลี่ยมใส่ศรัทธากิจาร ะ, ะบูชามากมายี่เหลือตันแหในใจิตในใจของท่าองค์เ <c oughs> ่อนละแกะแสงเดือดขาดออกไปท่านก็ยังมีการล่มหายใายไปคำวูของท่านจะฉลาดเกืีบยแหลมขนาดไหนต่อตามเรืองเกิดแล้ว จะต้องมีแปรปวนและแตกสลาอย่างเราทุกคนก็เหมือนกันกับพระองค์ท่านไม่มีคนใดไม่มียาขนานใดไม่มียานท้แนะอันใดจะไปโลกธาตคิดธาจันธะตุเขาพาอังคารที่ไหนก็ตายจะต้องตายทั้งนั้นทุกคนจะมีความตายเป็นเดือยเนะ่ความตายแขวนคออยู่ทุกการทุกเวลา ฉะนั้นจงพากันฝึกจิตอบรมใจ ใ, ให้ใสให้สะอาดให้หมดจดเนือใจของเราหมดจดหมดโทษหมดทุกข์เราจะมีความสุขคนอื่นจะไม่เห็นจะไม่เป็นอย่างเราันเป็นหนาทีของเขาเราบริสุดแล้วเราสะดวกเราสบายไม่มีอะไรจะวุ่นวายในจิตในใจ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 ว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่มีผิดและก็ลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติตามธรรมะจิตใจของเราจะเข้าถึงธรรมะคือความสุขความสงบความละถอนที่เหลือปัญหาเห็ยนใจจักบชัดเจนภายในใจท้องนนตนโไปจอไปหาใบ ป, ประทานิยบัติปริญญานั้นปริญญานี้ แต่เราฝะาดดีแต่จิตใจเป็นอย่างนี้เป็นจิตใจที่ดีที่ไจเสษมีความสุขความสบายยิ่งกว่าสับทั่วโลกจะต้องแค่จะต้องเห็นเพราะธรรมะเป็นสันทิปปิโกคือเห็นเองเป็นปัจจังลูเฉพาะในผู้ปฏิเทธจะจูบัรแต่นั้นจะนำ ธรรมะที่พระพุทธเจ้าชงสอนมาอบรมและฝังมาตัางหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติทุกคนก็จะปรอสบพบเห็นความสุขความเจริญการปฏิบายิธรรมะเหมนแบบความสมควรเสียเวลาเพรยุติเรรมนี้เล